อุปชาท่านสั่งก็เลยต้องเทศในในจะเทศนะหลวงพ่ออยากจะบอกพวกเราว่าหลวงพ่ออยากจะเอาของดีมาคืนคนสุรินเมื่อยี่สิบหกปีก่อนหลวงพ่อมาได้ของดีของพิเศษไปจากเมืองสุรินที่ได้ไปจากหลวงปุดูลตอนนั้นมาเรียนกับท่านอายุยังไม่มากนะอายุยี่สิบเก้า อยากปฏิบัติธรรมแต่ก่อนหน้านั้นเคยปฏิบัติธรรมมาตั้งแต่เจ็ดขวบหัดอานาปานสติหายใจออกหายใจเข้าอะไรอย่างนี้หัดไปเรื่อยๆมุ่งเอาความสงบเป็นที่ตั้งทําอยู่ยี่สิบสองปีนะมันไม่ได้อะไรหรอกมันได้แต่ความสงบแต่จะไปต่อก็ไม่รู้จะไปยังไงจนกระทั่งมีบุญวาสนา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 กำลังปลื้มนะก็บอกท่านบอกเข้าใจครับ <S <S นะท่านบอกเออดีเข้าใจเราไปทำเอา ไ, อไปาได้รับไปในเวลาส่วนใหญ่ที่อยู่กับท่านครั้งแรกนะเป็นว่าเวลาที่ท่านนาั่งหลับตาท่านสอนไม่มากหรอกท่านสอนว่าอา่านหนังสือมามากแล้ ว, ต, ว, ต, ต, ว, ว ต, ต, ต่อไปนี้อ่านจิตตนเองอนประโยคนี้ท่านก็บอกการปฏิบัติมันไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเอง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 ใครเป็นข้าราชการมีไหมในห้องนี้มีไหมมีวันจันทร์รู้สึกยังไงจิตใจแห้งแล้งนึกได้วันนี้วันจันทร์ขี้เกียจสุดๆเลยนะพอนึกได้ว่าวันอังคารก็เบื่อมากเลยวันพุธนี่สุดเสงน่ะพวันพฤหัสเริ่มแช่มชื่นเห็นไหมวันศุกร์นี่สดใสเนี่ยเราดูเลยเนี่ยตั้งแต่ตื่นนอนนะแค่คิดเท่าที่วันนี้วันอะไรนะใจเรายังไม่เหมือนกันสักวันเลย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 มันเหมือนตกนรกทั้งเป็นเลสมัยก่อนมันไม่มีรถบนดินใต้ดินรถอะไรไม่มีหรอกแต่เดี๋ยวนี้ก็ตกนรกไปอีกแบบนึ้งค่ารถมันแพงนะออกมาที่ถนนนะเห็นรถไม่มาเนี่ยรถเมย์ไม่มาสถินะเราจะต้องรีบไปทำงานใจมันกระวนกระวายใจกระวนกระวายเรารู้ว่ากระวนกระวายฝนะึกอย่างนี้นะใจเราเป็นยังไงรู้ไปเรื่อยๆพอรถเมย์มาเราดีใจเรารู้ว่าดีใจ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 ฟังแล้วงงฟังแล้วก็งงๆท่านถามว่าเข้าใจไหมบอกไม่เข้าใจครับแต่จะจําไว้ตอนนี้ยังไม่เข้าใจแต่ขอจําไว้ก่อนท่านบอกเออดีจาไว้นะไปได้ละกลาบลาท่านนะทุกครั้งที่มาหาท่านเวลาลาท่านคลานถอยหลังออกมาดูใจนี้จะไม่มีความอะไรเอาวรท่านเลยนะเมื่อเรียนธรรมะแล้วนะหลวงปู่ก็ เข้าไปสู่ความว่างของท่านใจเราก็เฉยๆแต่ครั้งสุดท้ายที่ไปลาท่านนีมันคอยเวียนกลับมาดูท่านเรื่อยๆนะใจมันอะไรเอาบอลมากเลยใจหายนั้นมันเป็นการเห็นครั้งสุดท้ายแ ล, แล้วเราก็ไม่รู้นะว่าเป็นการเห็นครั้งสุดท้ายล้วันรุ่งขึ้นออกมาจากเมืองสุรินทร์ก็ไปแวะโคราชเมื่อก่อนหลวงพ่อออกจากสุรินทร์ที่ไหต้องแวะไปหาหลวงพ่อพุทธที่วัดป่าสารวันทุกครั้งคราวนี้ก็ไปหาท่านที่โคราช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 เอวเมวาอิโตดินนางเปตานางวุปกะปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวาสมิชตุสัพเพภูเรนตูสังกปาจันโตปันนรโสยถามิโชติระโสย้าสัพพิติโยวิวัตจันตุสัพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทิคาโยโกภวะ อภิวาทนาศีลิสนิจังุทธาปจจายโนจัตาโรธรมาวัฏันติอายุวันโสุ ข, ขังพระลัง